จากว่าวันพุธรับเท่านั้นเป็นวันแรกและอีก -40 วันก็จะถึงวันฉลองชัยเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เอาสุิบัติของท่านได้ออกมานะครับแล้วก็เราจะฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในเรื่องของการปดอาหารพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงส่งเสริมการปดอาหารนะครับ แม้ว่าจะไม่เป็นภาคบังคับก็ตามทีแต่ว่าการอดอาหารในรูปแบบที่ชาวยิวอดนั้นเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าชาวยิวเขามีความคุ้นเคยเป็นอย่างมากกับเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานเพื่อสแสวงหาพระเจ้าการอดอาหารอธิษฐานนั้นแท้จริงแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นการบังคับความต้องการของตัวเองฝ่ายร่างกายเพื่อที่จะสแสวงหาความหมายฝ่ายวิ ญ, ญญาณ เพราะฉะนั้นการที่เราอดอาหารนะครับเป็นการเรียนรู้และเป็นการฝึกฝนในภาคปฏิบัติที่จะควบคุมร่างกายของเราให้ได้ควบคุมความปรารถนาความอยากความหิวกระหายเพื่อที่เราจะได้รับบทเรียนฝ่ายวิญญาณและการเติบโตน้องครับในพระเจ้าพระเจ้านะครั บ, นรบในข้อที่6ของอิสยาบทที่58การอดอาหารอย่างนี้หรือไม่ใช่ที่เราต้องการคือการแก้พันธนาของความอาธรรม การแก้สายรัดแอกและการปล่อยให้ผู้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและการหักแอกเสียทุกอันไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิวและนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คุมกายเข้าไว้และไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าเองหรอกหรืแล้วความสว่างจะพุ่งขึ้นมาแก่เจ้าอย่างอารุณและแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนําหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าแล้วเจ้าจะทูลและพระองค์จะตอบเจ้าจะร้องทูลและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าจะแอบไปเสียจากข้ามกลางเจ้าซึ่งแอบซึ่งการชี้หน้าและซึ่งการพูดรรยองข้าพเจ้าพระเจ้าในข้ามคืนวนี้ทําให้เราทั้งหลายจะเห็นว่าการ อธิษฐานกับการอดอาหารนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ไปควบคู่กันในการแสวงหาพระเจ้าใน40วันที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับน่าจะเป็นวันที่เราจะอดอาหารและผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่เข้ามาในพิธานใน ค, คัมภีรนวิญที่เราจะร่วมอดอาหารด้วยกันก่อนอื่นผมจะบอกกับพี่น้องว่ามีการอดอาหารกี่อย่างกี่ประเภทนะครับ การอดอาหารมีอยู่3าประเภทด้วยกันใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือการถืออดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น normal fast ก็คือไม่รับประทานอาหารแข็งรับแต่น้ําของเหลวนะครับเหมือนกับว่าเป็นน้ําผลไม้ก็ดีหรือน้ํำเปล่าก็ดีเราสามารถจะอดอาหารแบบ normal fast หรือการอดอาหารแบบธรรดาได้วันหนึ่งบ้างนะครับ 2วันบ้าง3วันบ้างในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อยีกเนี่ยได้กล่าวถึงประชาชนอิสราเอลนะครับที่เขาอดอาหาร1วันก็คือไม่กินอะไรเลยยกเว้นน้ําหรือของเหลวเท่า น, นั้นเองนี่เป็นการอดอาหารประเภทแรกครับการอดอาหารประเภทที่สองนะครับก็ถืออดเพียงบางส่วนอดเพียงบางส่วนมีความหมายอยู่2ประการครับก็คืออดบางอย่างเช่นอดเนื้อสัตว์นะครับ กินแต่ผักอย่างเดียวเราพบว่าการอดเนื้อสัตว์กินแต่ผักอย่างเดียวเกิดขึ้นในพระธรรมแดเนียลนะครับแดเนียลและเพื่อนของเข า, ขเขาทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับพระราชาบอกว่าลองดูสิให้ฉันอดอาหารให้พวกเราอดอาหารสักสิบวันนะครับปรากฏว่าอดอาหาร1ิบวันผิวใบหน้าสติปัญญานะครับพ่อพีบรรยายว่าผิวของเขาก็ขาวผ่องนะฮะ ผิวเขาก็สวยงามมากแล้วก็สติปัญญาของเขาเนี่ยก็ดีมากกว่าคนอื่นๆนี่มากมายนี่คือการอดอาหารอีกประเภทนึงนครับก็คืออดอาหารบางส่วนที่ว่าอดบางอย่างบางคนครับก็มีวิธีการอดบางอย่างนะครับในส่วนนี้ก็คืออดแค่บางมื้อเท่านั้นเองนะครับหลายหลาคนก็กินเหมือนกับพระฉันนะครับก็คืออดหนึ่งมื้อนะครับมื้อเย็นหรือบางคนก็ อาจจะเหมือนกับขั้นมหานะครับก็คือวันละมือเท่านั้นเองเพราะฉะั้นการอดบางมื้อนี่ก็คือเหลือหนึ่งมื้อนะครับบ้างหรือสองมือบ้างนี่คือการอดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราอดเราจะต้องทําอะไรคําตอบก็คือเมื่อเราอดเราจะต้องใช้เวลานะครับที่เรามีอยู่ในการอดอาหารเข้าเฝ้าพระจ้าหลายๆครั้งนะครับบางบ้านเนี่ยใช้เวลาเตรียมอาหารมากเลยทีเดียวนะครับ บางวันอาจจะหนึ่งสองชั่วโมงรวมกัน3ามื้อนี่นะครับช่ตองใช้เวลานานเขาจะไม่เตรียมอาหารนะครับเพราะว่าเขาจะถืออดเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเขาจะมีเวลาการเตรียมอาหาร2มือ้อการรับประทานอาหารสามมื้อนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถืออดนะครับกรุณาอย่าไปดูวิดีโอนะนะหรืออย่าไปดูหนงังนะอย่าไปฟังเพลงแต่เราจะต้องถืออดโดยที่เราเข้าฟาะะะะะะะะะะะ สเครื่องมือครับก็คือการอ่านโภชนะและการอธิษฐานนะครับสเครื่องมือนี้ก็จะทําให้การถืออดของเรานั้นก็สมบูรณ์แบบประการสุดท้ายครับชนิดของการถืออดก็คือการถืออดแบบสมบูรณ์แบบการถืออดแบบสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษเรียกว่ า, าว absolute fast นะครับก็คือการถืออดโดยไม่กินอะไรเลยนะครับบางคนอาจจะถืออดไม่กินอะไรเลยทั้งน้ําทั้งอาหาร24ชั่วโมง เราจะพบว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเขาถืออดนะครับก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเนี่ยเขาจะไม่รับประทานอะไรเลยแล้วก็ห้ามกลืนน้าลายด้วยนะครับสิชั่วโมงที่เขาถืออดบางคนนะครับถืออดเป็นเวลา1วัน2วันนะครับแต่ไม่เกิน3วันนะครับที่ไม่กินอะไรเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อที่2 7่สถึงยีเนี่ย เราได้พบกับเหตุการณ์หนึ่งที่อัศจรรย์มากเพราะเนื่องจากว่าในเหตุการณ์นี้โมเสสนั้นถืออดอาหารโดยไม่กินอะไรเลยเป็นเวลาถึง40วัน40คืนซึ่งโดยทางการแพทย์แล้วเ ป, เป็นไปไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่านี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเสริมกําลังเร็วแรงโดยที่โมเสสนั้นไม่ต้องกินอะไรเลยแม้กระทั่งน้ํา40วันสีิคืนเมื่อเขาขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาของพระเจ้า นี่คือการอัศจรรย์นะครับเราทั้งหลายคงจะอดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าในพระวจนะของพระเจ้านี่มีนะครับหลักฐานของการอดของโมเสสนะครับ ว, วัน40คืนและยังมีหลักฐานการอดอาหารขององค์พระเยซูคริสต์อีก40 ว, 40วัน40คืนเราไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับที่จะบอกว่าพระเยซูนั้นอดน้ำด้วยหรือเปล่า40 ว, 40วัน40คืนแต่เรารู้ว่าพระเยซูนั้น อดอาหาร40วัน40คืนหลังจากนั้นพระเยซูก็ออกมาทํางานของพระเจ้าด้วยพลังกาลังและฤทธิ์เดชเป็นอันมากพี่น้องครับหลายหท่านถามว่าเออแล้วผมเนี่ยมีโรคประจําตัวผมกิดอาหารได้ไหมนะครับถ้าหากว่าพี่น้องมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นน้าตาลนะครับเบาหวานมากนะครับก็อาจจะต้องถืออดประเภทที่2ครับก็คือถืออดเพียงบางส่วนเท่านั้นและต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนนะครับ บางคนที่มีความดันสูงบางคนที่มีโรคจํ า, ยาตัวบางคนที่มีโรคกระเพาะก็ต้องถามแพทย์ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการอดทั้ง3าแบบถามว่าการอดแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพของเราทีน้องครับการอดแบบนี้นะครับไม่เพียงแต่เกิดสุขภาพที่ดีนะครับร่างกายจะมีการดีท็อกซ์นะครับก็คือการขับพิษออกแล้วก็จะมีฮอร์โมนบางตัวนะครับที่สร้างจากกระเพาะอาหารเมื่อเราหิวเมื่อเราอดนี่นะครับ ฮอร์โมนพวกนี้มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งหลายนี่คือผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่ว่าการอดอาหารที่พระเจ้าต้องการนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเน้ของพระเจ้าได้ ก, กล่าวไว้นะครับใน อิสยาบทที่58ที่อยู่ในสุธีบัตรระเบียบวัฐการของท่านนะครับเราจะเห็นประโยชน์9อย่างด้วยกันที่อยู่ในพระาพระเจ้าตอนนี้นะครับพี่น้องดูนะครับในข้อที่หครับการอดอาหารที่พระเจ้าต้องการนะครับคือประการแรกเราจะได้ประโยชน์หรือได้จุดประสงค์ก็คือการแก้พันธนะของความอธรรมการแก้พันธนะของความอธรรมนะครับเราจะ ถูกพระเจ้าปลดล่อยเราให้เป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผูกมัดเราอยู่บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความอธรรมที่ผูกมัดเราอยู่หลายหลายคนนะครับเสพติดบางสิ่งบางอย่างนะฮะอาจจะเป็นการติดจุราติดบุรีนะครับบางคนติดหนังสือโป้นะครับบางคนติดบางสิ่งบางอย่างที่ผูกเป็นไงสิ่ที่ไม่ดีก็เคยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของคริสเตียนไม่เกิดผลการอดอาหารจะปลดปล่อยหรือแก้พันธนาของความอาธรรมออกไปได้นี่คือประโยชน์ข้อแรกครับประโยชน์ข้อที่สองนะครับอยู่ในประโยชน์ต่อไปนะครับบริบทต่อไปคือการแก้สายรัดแอนะครับชีวิตของคนบางคนเนี่ยถูกบางสิ่งบางอย่างรัดอยู่ ชีวิตของค น, นคนเนี่ยเหมือนกับมีแอกนะครับเขากําลังแอกเนี่ยวางอยู่ในตัวของเขาเนี่ยมันหนักมากแอกพวกนี้คืออะไรครับแอกพวกนี้คือปัญหาแอกพวกนี้คืออุปสรรคต่างๆแอกพวกนี้คืออะไรก็ตามที่เราแก้ไขไม่ได้การอดอาหารนี่จะทําให้เกิดการแก้สายรัดแอกนั้นขึ้นมาเพียงครับในชีวิตของเราเนี่ยมีแอกบางสิ่งบางอย่างครับอาจจะเป็นแอกที่มองไม่เห็นอาจจะมีความทุกข์ใจจะมีความหนักใจ นะ่าจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างจะมีปัญหาในชีวิตเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันมันมันวางอยู่ในชีวิตของเราเป็นภาระหนักมากเลยเราเหน็ดเหนื่อยมากเลยพี่น้องครับหลายหลาครั้งเนี่ยเราอธิษฐานอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับจะต้องอดอาหารเพราะนี่คือการอดอาหารที่ชาวยิวที่พระเจ้าของพระเจ้าได้มีความกระตุ้นและก็เชื่อว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันนั้นเราจะสามารถลด แอบเหล่านี้ออกไปได้ปลดปัญหาต่างๆเลเ น, เนี้ไปนี่เป็นประการที่สองครับซึ่งเป็นประโยชน์ของการกดอาหารอธิษฐานประโยชน์ประการที่สามครับวลีต่อไปนะครับการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราพยายามที่จะนำคนมาเป็นคริสเตียนนะครับมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผูกมัดชีวิตของเขาอยู่ มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขวางกั้นระหว่างพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้ า, จาไปถึงชีวิตของเขาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกผู้บีบบังคับอยู่นั่นหมายถึงซาตานครับการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยสามารถปล่อยให้ทูกผู้ถูก บ, บีบบังคับเป็นอิสระได้และเมื่อเขาเป็นอิสระนะครับพระเะานันพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาเขาฟัง เขาเชื่อและเขาต้อนรับพระเยซูนี่คือการประกภาศพกิติคุณใช่ไหมครับพี่น้องการที่จะทาให้คนมีความเชื่อในพระเจ้ามีความศรัทธาในพระเจ้าได้รับข่าวประเสริฐได้ยินข่าวประเสริฐและเขากลับใจเกิดจากอะไรครับเกิดจากมีคนอธิษฐานปดอาหารเผื่อเขานะครับนี่เป็นประการที่3ครับปล่อยให้ทูกถูกบีบังคับเป็นอิสระประการที่4ี่ครับพี่น้องดูนะครับประการที่สี่ ท่านลองเดาดูสิครับคือเรื่องอะไรครับหักแอกครับหักแอกแอกที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงปัญหาชีวิตปัญหาทางจิตใจปัญหาทางด้านอารมณ์ของเรานะครับแอกต่างๆ่างเราเนี้ยนะครับก็คือภาษาอังกฤษเพื่อโยกเนี่ยนะครับก็คือการที่โยกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชีวิตของเรานะครับเป็นความขมขื่น มันงอกรากแล้วมันก็ทำลายอุปนิสัยของเราที่ดีมันเข้าไปและททำให้มันฝังตัวทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขพี่น้องครับสิ่งต่งงางตเหล่านี้มันเป็นแอกที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นรากคมคืนที่ซ่อนอยู่เป็นความอัธรรมที่ซ่อนอยู่การอดอาหารสามารถเอาเจ้าพวกนี้ออกไปได้นะครับนี่คือประการที่เท่าไหร่แล้วครับพี่น้องสี่นะครับประการที่5้าครับ อยู่ในข้อที่เจ็ครับไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิวดอกหรือการอธิษฐานอดอาหารนะครับสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับถ่อมใจลงในขณะกันเนี่ยเราอยู่ด้วยความพอเพียงเรารู้นะครับว่าเราอยู่นะครับอยู่นะเพื่ออะไรนะครับเราไม่กินเพื่ออะไรเราอธิษฐาน เพื่ออะไรเรามีการพิจารณาชีวิตของเราให้ควรชีวิตของเราเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นประทานให้กับเราเนี่ยพอเพียงเสมอและเมื่อเรารู้ถึงความพอเพียงนั้นเราก็จะเข้าใจและเห็นอกเ็นใจต่อคนที่มีความต้องการเพราะฉะนั้นการอดอาหารนี่ทำให้อะไรครับทาให้เกิดการปันอาหารของเราที่เราจะได้กินให้กับผู้ที่หิวโหยครับ ไม่เพียงท้ทนั้นครับยังนําคนยากจนไร้บ้านเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแสดงว่าการอดหานนั้นไม่ใช่เป็นการแสวงของพระเจ้าส่วนตัวนะครับแต่เป็นการสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราออกมาและทําให้เราสามารถที่จะแบ่งปันหาคนอื่นได้ในการนี้กันเราเชิญคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้สภาวะแบบนี้นะครับเป็นสภาวะการถือศีลอดเป็นสภาวะที่เราต้องทําในการเข้าสู่ธรรม เป็นสภาวะที่เราจะเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะได้รับความดีรับความรักรับความสวยงามจากพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและส่งผ่านออกมาให้กับคนอื่นได้นี่เป็นประการที่หครับประการที่หครับเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับประการที่6พูดถึงเรื่องของในข้อที่8ความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างรุ่งอรุณ น, นั่นหมายความว่า สิ่งที่มันมืดมัวมากๆในชีวิตของเรานะครับเราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทั้งทีเดียวนะครับน้องๆที่เป็นเด็กอนิชนหรือว่าแม้กระทั่งย่างโปรโซึ่งเป็นวัยของการทำงานเราอยากจะรู้หน้าที่ของพระเจ้าเราอยากจะรู้การทรงนำของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนาเราไปที่บริษัทในทํา ง, งานที่ไหน พระเจ้าจะทรงนำเราให้เราสอบคณะไหนได้พระเจ้าจะวางอนาคตของเราอยู่ที่ตร ง, งไหนดีอยากจะรู้น้ามัขอกพระเจ้าทำไงครับอดอาหารอธิษฐานสิครับเพราะอะไรครับเราจะเห็นความสว่างพุ่งออกมาชัดเจนเราจะสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามน้ามัธยัยของพระเจ้าเพราะว่าความสว่างจะพุ่งขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนในทางเดินของเราในวิถีชีวิตของเรา พี่น้องครับหลายๆรครั้งทีเดียวนะครับเรามีปัญหาอุปสรรคต่างๆอยากจะถามพระเจ้าอยากตัดสินใจว่าจะซ้ายหรือขวาในชีวิตของผมนะครับมีอยู่สองสามครั้งทีเดียวที่จะตัดสินใจไปที่ไหนดีผมอยากจะเป็นทีบรักที่น้องนะครับว่าก่อนที่ผมจะรับใช้พระเจ้าตัดสินใจมารคจารยพระเจ้าที่คิดจะพัฒนาเนี่ยอดอาหารอยู่หลายวันทีเดียวเพื่อที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะนําผมหรือไม่พี่น้องครับขณะที่อดอาหารอาธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้า พระเจ้าได้ให้คําตอบนะครับว่าน้ํามัสยัยของพระเจ้าอยู่ที่นี่แหละนี่คือการป อ, อาหารแล้วเกิดประโยชน์ทําให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องว่าเราจะเลือกไปทางไหนดีนี่คือประโยชน์ประการที่6ครับของการตัดสินใจนะครับของการปดอาหารประโยชน์ประการที่7จครับสําหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับพี่น้องฟังดีๆในข้อที่8นะครับ แผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วคนที่เป็นแผลก็คือคนเลยครับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วหมายความว่าก า, ารบริโภคนั้นมีผลต่อสุขภาพร่างกายตอนตอการหายของโรคนะครับ หลายหครั้งทีเดียวเมื่อเราอดอาหารอนพิฐานขอพระเจ้ารักษาโรคบางอย่างที่มนุษย์หรือแพทย์ไม่ไม่สามารถรักษาได้หลายหลครั้งทีเดียวการอดอาหารทําให้เราสามารถที่หายจากโรคร้ายได้หลายหายครั้งการอดอาหารทําให้พระเจ้าฟังคาอธิษฐานของพี่น้องเยอะแยะมากมายที่อดอาหารเพื่อเราได้พี่น้องครับตอนที่ผมไม่สบายหนักอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีหลายๆคน ที่ผมเขารวบกับถือเนี่ยท่านลดอาหารอธิษฐานเพื่อองค์ในวิริการครับผมเองก็อดอาหารตอนที่ไม่สบายเพื่อสแสวงหา น, น้ํามัไทไธของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับการอดอาหารนะครับมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราการอดอาหารนั้นนํามาซึ่งการรักษาที่มาจากพระเจ้าเป็นน้ํามัไทไธของพระเจ้าที่จะให้เราอดอาหารเพื่อจะแสวงหาน้ํามัไทไธขององค์ประการที่8ครับ โอวาชนนั้นพระเจ้ากล่าวตอบไปนะครับว่าความชอบธรรมของเจ้าของเจ้าจะเดินนําหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าที่นี่บอกชัดเจนนะครับความชอบธรรมความชอบธรรมจะเดินนําหน้าเจ้าหมายถึงว่าชีวิตของเรานะครับจะมีความบริสุทธิ์มีความชอบธรรมในขณะเดีวยวกันครับชีวิตของเราเนี่ยมีความชอบธรรมเดิน้างหน้าคนเดินสวนมาเห็นอะไรก่อนครับพี่น้อง เห็นความชอบธรรมที่เดินนําหน้าเราเก็ดอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นพยานได้ถ้าเราอดอาหารอธิษฐานชีวิตของเราจะบริสุทธิ์แล้วเราจะเป็นพยานได้หลายหลั้งทีเดียวนะครับเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นแคสเทียนมานานชีวิตของเราเนี่ไม่ค่อยดีดีขึ้นหรอกชีวิตของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ชอบธรรมขึ้นหรอกชีวิตของเราเนี่ยเป็นพยานไม่ได้ก็ไรครับเพราะว่าคนมองมาแล้วเนี่ยไม่เห็นความชอบธรรมเลยเห็นแต่ตัวเก่าของเราเห็นแต่เนื้อหนังของเราครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขจัดเอาความชั่วร้ายที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราได้ความสโครกที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราได้กราบใดที่เราไม่อธิษฐานปดอาหารพระเจ้าจะชำระชีวิตของเราให้ความชอบธรรมเดินนาหน้าชีวิตของเราครับประการสุดท้ายครับประการที่9ก้าการอดอาหารนั้นปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้นะครับในข้อที่แปดนะครับวลีสุดท้าย พระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าพี่น้อครับคริสเตียนคนหนึ่งเนี่ยเดินมาข้างหน้านะครับเดินสวนกับเราเราเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเจอคริสเตียนนะฮะเจออะไรเขาก่อนครับพี่น้องในพรังผืดตอนนี้เจออะไรครับความชอบธรรมพอค้อยหลังไปพี่น้องเจออะไรครับเจอพระสิริของพระเจ้า พระเศษของพระเจ้าเนี่ยอยู่คุ้มนะครับคุ้มคลองทั้งหลังปกป้องเขาให้ก้นจากซึ่งชั่วร้ายมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะกถามว่าอดอาหารนี่คุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มมากคุ้มมากนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเมื่ออ่ า, านพระัมพีต่อไปนะครับเราจะได้อีกข้อหนึ่งครับข้อที่สิบ ข้อที่10เนี่ยอยู่ในอิสยาบทที่58ข้อที่ 9. นะครับย้องฟังดีนะครับแล้วเจ้าจะทูลและพระเจ้าจะทรงนะครับโอ้โหพี่น้องครับถ้าเราอดอาหารนะครับเราลองทูลพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะตอบเราแน่นี่คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าเราํานึกในพระคุณของพระเจ้าว่าโอ้เราสามารถอาศัยการอดอาหารนะครับ เปิดนะครับเปิดช่องทางที่จะสแสวงพระพเจ้าและพระเจ้าตอบเราแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับมีเงินขายอยู่ก็ถือว่าต้องลดอาหารอย่างถูกวิธีอดอาหารอย่างถูกวิธีทำไงครับพระเจ้าั้พระเจ้านะครับถอยกลับไปในบทที่5้าสิบแข้อต้นๆครับเราจะเห็นนะครับว่าการลดอาหารอย่างถูกวิธีนี้ก็คือว่าเราจะต้องเราจะต้อง ท่อมใจลงสแสวงหาพระเจ้านะครับท่อมใจลงอย่างสุดๆเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นะครับนักร้องเนี่ยนะร้องเพลงเพราะมากมีบทรีหนึ่งครับ hear my humble ว r y การโดรหาในธิษถ า, า, า, า, านี่คือการร้องทูลพระเจ้าครับวางปัญหาของเราวางชีวิตของเรา วางอุปสรรคของเราอยู่ตอนนักพระพรพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าได้ช่วยแก้ปัญหาและด้วยการอดอาหารในการสแสวงหาพระเจ้าเนี่ยเฮียไม่ฮัมเบคลก็คือว่าขอพระเจ้าได้ช่วยกรุณาฟังเสียงร้องไห้ด้วยความถ่อมใจฮ u m b บ e ล r y h u ฮั l e บิ y คลก็คือความถ่อมใจลงอย่างสุดๆครับทำไมวันพุธขี่เท่าหรือวันพุธรับเท่าต้องมีเท่าด้วย เพราะว่าเท่านั้นนะครับเท่านั้นครับมีความหมายว่าเราเนี่ยเป็นดินมีวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปเป็นดินเท่านี้มีความหมายถึงการกลับใจครับเวลาคนยิ้วนะครับเขาเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเขาโปรยขี้เท่านะครับโปรยขี้เท่าเนี่ยมีเป็นสัญลักษณ์เป็นความหมายขอการกลับใจใหม่นะครับโปรยขี้เท่าเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจในชีวิตของเราที่เราทํา ไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้านั่นคือเราบาปอยู่เราเป็นคนบาปหนักหนาแต่เมื่อเราเป็นคนบาปหนักหนาสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นในชีวิตของเราก็คือว่าเราต้องรีเพนส์รีเพนหมายถึงการกลับใจใหม่ที่เท่าเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจแสวงหาพระเจ้าครับในในการกระทําของบางนิกายนะครับบาทหลวงเนี่ยก็จะเอาที่เท่าเนี่ยมาขีดเป็นเป็น ไม้กางเขนอยู่บนหน้าผานะครับเอาขีดเท่าเนี่ยมาขีดไม้กางเขนอยู่่หน้าผาว่าเนี่ยวันพุธเราเท่าทุกคนจะต้องมารับการขีดไม้กางเขนนะครับนะจากปัตตลวงเพื่ออะไรครับเพราะว่ารับไปแล้วนะเท่าเท่านี้คืออะไรเท่านี้คือเราต้องสํานึกว่าเราเป็นมนุษย์มาจากดินสองเราจะต้องกลับใจเสียใหม่สมเราจะต้องร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทําไป นี่คือความหมายของวันพุธกับเท่าครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าข้อดีของการถืออดนั้นเราจะต้องใช้เวลานะครับการถือบทนี้เพื่ออุิศฐานสารภาพบาปด้วยความถ่อมใจประการที่สองครับข้อดีของการถืออดก็คือว่าเราจะได้เวลาแห่งการเข้าเฝ้าพระเจ้าเพ่งมองพระเจ้าและเราจะเห็นพระเจ้าครับเพราะอะไรครับ พระพี่บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดนะครับการอธิษฐานอดอาหารนี่เป็นช่องทางที่เราจะเห็นพระเจ้าได้จะพบกับพระเจ้าได้และหลายๆครั้งทีเดียวการถืออดนี้ทำให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าได้ยินเพียงครั้งเดียวเนี่ยโอ้มันมันติดหูติดตัวติดตาของเราตลอดไปทุกชั้นทั้งชีวิต มีครั้งหนึ่งครับขณะที่ผมได้เห็นนิมิตจากพระเจ้านะตอนรุ่งสางเนี่ยเห็นภาพนะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเดินมาหาเราเสร็จแล้วนี่นะครับเขาบอกว่าให้เปิดพระวจนะพระเจ้าในมัททีบทที่เก้าแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเปิด พ, พระวจนะของพระเจ้ามัททีบทที่เก้าพูดถึงเรื่องการรักษาโรคการเรียกคนเป็นสาวกในที่สุดนั้นบทสุดท้ายตอนสุดท้ายตรงนั้นนะครับบอกว่า จงอธิษฐานขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาให้ทรงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์จากตรงนั้นเองเนี่ยผมชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าได้เรียกผมออกมารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับจากการถืออดอาหารจากการที่เราเหยใจออกมาให้กับพระเจ้าจากการที่เราได้มีโอกาสเข้าใกล้พระเจ้าเนี่ยเราจะพบกับพระเจ้าแน่เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่ครับพระเจ้าของเราไม่ใช่ลูกปั้นไม่ใช่ลูกข้ารมนะครับแต่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นโอกาส แห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้หลายหลายครั้งนะครับเราผ่านไปปีแรงวปีเล่าปีแล้วปีเล่ า, ล า, ลาถามว่าชีวิตของเราฝ่ายวิาเติบโตขึ้นจริงหรือเปล่าเราคงตอบตัวเองได้นะครับหลายๆลครั้งเราถือเทศกาลเนี่ยนะครับอย่างเป็นเทศกาลพอเป็นพิธีให้ผ่านผ่านไปเท่านั้นเองแต่พี่น้องครับ40วันที่อยู่ข้างหน้าผมก็พูดกับตัวเองตั้งจิตปรวนาตัวว่า ขอ้ได้พบกับพระเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งในปีนี้เริ่มต้นก็คือเราจะต้องรำลึกถึงพระเจ้าให้ถูกต้องใช่ไก่อนนับพระคุณของพระเจ้านะครับนับพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราง่วนอยู่กับการทํางานนะครับง่วนอยู่กับการหาเงินง่วนอยู่กับธุรกิจง่วนอยู่กับกิจวัตรประจํำวันของเราโดยที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงพระเจ้าเทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นเทศกาลที่ผลักนะครับ ดันพวกเราเข้ามาอยู่ในจุดที่เราจะต้องแสวงอภพระเจ้าโดยการล้ำลึกถึงพระเจ้าก่อนมีตัวอาสตัวที่อยู่ที่นี่นะครับอาตัวรแรกมจาจากคาว่าล้ำลึกหรือรีคอร์ก็คือล้ำลึกถึงคุณงามความดีพระคุณของพระเจ้าที่มีมาอยู่ในชีวิตของเราถ้าไม่ต้องกลับไปดูนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้าสแปตั้งแต่ข้อที่หน <and th> ึ่งจนถึงข้อที่สิบสองเนี่ยพี่น้องจะเห็นอยู่สีําเนี่ยครับรีคอร์คืออะไรครับรีคอร์คือ การที่เราเด่นนึกถึงพระคุณของพระเจ้าเสมอนึกถึงพระวจนะของพระเจ้านึกถึงพระลักษณะของพระเจ้านึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นน้าปัดไทยของพระเจ้าในชีวิตของเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ช่วยเป็นพระคุณเป็นพระพรเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาในชีวิตของเรานี่คือการ recall การ recall ทาให้เรายอมรับว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงอํานาจอธิปไตยสูงสุด และการ recall นี้ทําให้เราทั้งหลายมั่นใจว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่ครับไม่เพียงแต่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เท่านั้นพระองค์สามารถช่วยเราได้และพระองค์อยู่กับเราเสมอและพระองค์อยู่ในเราด้วยเหตุนี้เองทําให้คริสเตียนนั้นจึงได้เปรียบนะครับมากกว่าคนอื่นเพราะเราสามารถ recall นะครับเราสามารถที่จเข้ามาสู่โต๊ะสวยของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ในขณะที่คนอื่นไม่มี นี่คือการรีคอร์ครับหลังจากรีคอร์นั้นเราเห็นในความยิ่งใหญ่พระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าเป็นยังไงและเราต่ําต้อยอยังไงเราเป็นคนบาปยังไงนํามาสู่ตัว R ที่2ครับก็คือร e เพนต์รีเพนต์แปลว่าการกลับใจครับการกลับใจนี้ต้องการการเสียใจนะครับถึงจะกลับใจได้พี่น้องไปทําบาปอะไรมาอ๋อผมไม่ทําบาปอย่างนี้มาพี่น้องรู้สึกเสียใจไหมคุณรู้สึกเสียใจไหม ผมก็เฉยเฉยอันนี้รีเพนไม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นการรีเพนที่แท้จริงเสียใจไหมที่ทําบาปเสียใจไหมที่ทําไม่ดีเสียใจไหมที่ผิดพลาดอีกแล้วเสียใจครับรีเพนไหมครับรีเพนตั้งใจใหม่ครั้งหนึ่งรีเพนคือการกลับใจใหม่เป็นการยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นจากลงล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนี่คือการยูเทิร์นรีเพนที่แท้จริงต้องนํามาซึ่งความเสียปกเสียใจเสียดเสียใจที่ไม่ได้ทำ สิ่งที่ควรทําและทำในสิ่งที่ไม่ควรทำพี่น้องครับเรามีความรู้สึก r e p พนต์เกิดขึ้นบ่อยนะครับเมื่อวันเราเราฟังพระเจ้าของพระเจ้าเราอ่านาพระคัมภีร์เราได้เรียนรู้ในการเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับ Repen ตคืออุปนิสัยที่สําคัญที่สุดของทิศเตียนการกลับใจใหม่การเศร้าโศกเสียใจที่ได้ทําบาสนี่คือการ r e p พนต์นะครับประการที่3ครับเมื่อเรากลับใจใหม่นะครับ เกิดการ reconnect reconnect ก็คือการต่อนะเชื่อมสัมพันธ์ต่อกับเครื่อใ ห, ใหม่ทีหนึงเพราะว่าจนานะของพระเจ้านะครับบอกว่าการ reconnect เนี่ยทำให้เราได้รับพลังที่มาจากพระเจ้าในการเกิดความมั่นใจเดินต่อไปในอนาคตได้เมื่อเรา reconnect กับพระเจ้าความสัมพันธ์นะครับที่สูญเสียไปกลับขึ้นมาในการอดอาหารอธิษฐานในการถือศีลอด 40วันนี้เราจะได้รีคอนเนคกับพระเจ้าใหม่ในหลายๆด้านครับหลายๆมุมในชีวิตของเราเนี่ยจะเกิดการเสริมสร้างใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเราคอนเดคกับเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและท่านจะรู้สึกเลยครับว่า40วันผ่านไปชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมชีวิตของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมากนะครับอาการสุดท้ายครับเมื่อเรารีคอนเนคกับพระเจ้า สิ่งสุดท้ายในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็คือการพักสงบในข้อ41นะครับของอิสยาห์บทที่58พระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิดพระเจ้าจะนำคนที่อดอาหารอธิษฐาน recall repent reconnect อยู่เป็นนิดตลอดไปในขณะเดียวกันครับพระเจ้าจะให้เล้าอิ่มด้วยของดีพระเจ้าจะทำให้กระดูกของเจ้าแข็ง และชีวิตของเจ้าจะเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนกับน้ำพุที่น้ำมันไม่ขาดสิ่งสลักผักพังโบราณจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่จะได้รับการซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแล้วนั้นและเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังและผู้ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้ ชีวิตของเรานะครับจะได้การพักสงบในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เองเกิดจากอะไรครับสิ่งเหล่านี้เองเกิดจากการที่เราถ่อมใจลงสารภาพบาปพิจารณาตัวเอง recall repent reconnect และในที่สุดชีวิตของเราจะรีลีฟได้พักสงบในพระเจ้าโดยเห็นนี้นีเองนะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ ผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านเนี่ยที่มาที่นี่นะครับในค่ำคืนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่สมาชิกธรรมดานะครับแต่เป็นสมาชิกที่รักพระเจ้าเราอยากจะเห็นบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราส่วนตัวกับพระเจ้าเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราอยากจะให้กิจจักรของพระเจ้าเนี่ยได้เคลื่อนไปตามนามธทรมของหลวงเพราะฉะนั้นการที่เรามาในค่ําคืนนี้นะครับผมอยากจะให้ พ, พระเจ้าพระเจ้าอิสยาบทที่58ข้อ1นึงข้อ12ตอนนี้นำเราไปถึงการปรวนานตัวครับปรนนตัวในการสัญญากับพระเจ้าผูกพันตัวเองกับพระเจ้าในเรื่องของการถืออดอาหารเพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวของเราสร้างความสัมพันธ์กับรพระเจ้าและพัฒนาคิดจักรของพระเจ้าพี่น้องจะรับการเชิญชวนไหมครับให้เราลุกใจกันอนวันสามครับ ก่อนอื่นผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านในอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าอากเรามีความผิดบาปใดๆขอให้เราท่อมใจลงยอมรับการตรวจตราที่มาจากข้อวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงตรวจจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงให้ข้าพระอง์ทั้งหลายนั้นจะยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพระงทั้งายนั้นจะบริสุทธิ์โดยรับการชำระที่มาจากพระเจ้า การกลับใจใหม่ที่แท้จริงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน ขอพี่น้องที่จะได้สัญญากับพระเจ้าปรนนานตัวกับพระองค์ในคำคือบันดีว่าจะรักพระองค์จะเข้าใกล้พระองค์โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าจะถือศีลกดเพื่อจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจะมีเวลามากขึ้นที่จดจิตใจของเราจะจดจ่ออยู่ที่พระองค์แสวงหาน้าพระทัยของพระองค์เพื่อที่ชีวิตส่วนตัวของเราทั้งหลายและขึ้นแจกของพระองค์นั้นจะก้าวออกไป ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเสด็จฟังคำอธิษฐานของข้าพงษ์ทั้งหลายลูกของพระองค์อยู่ที่นี่และพระองค์ก็สถิตยอยู่ท่ามกลางลูกของพระองค์ทุกทุกคนที่นี่ขอทรงโปรดเปิดใจของข้าพงษ์ไออกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะกระทำพระราชกิจของพระองค์ขอทรงโปรดวยพระกรุณาข้าพงษ์ไหลด้วยโภชนะของพระเจ้าแต่ด้วยจิตใจท่าทีแห่งการเชื่อความโภชนะของพระเจ้า เพืที่จะขับเคลื่อนชีวิตของข้าวลายให้เข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ขอให้เทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลแห่งพระพรที่นํามาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พี่น้องที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้การถืออดนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้องได้สแสวงหาการรักษาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงตอบคำมรดิฐานทุกๆคำมรดิฐานขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับทุกๆ อุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะข้าพงหลายทราบว่าแม้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะเดินผ่านภูเขาเงามัจุราชข้างหลายก็ไม่กลัวเป็อันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาให้พยัญาณบริสุธิ์ของพระองค์ที่จะนำหน้าชีวิตของข้าพเจ้าให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะนำหน้าซึ่งความชอบธรรมและจะมีพระสิริของพระเจ้าคุ้มกันหลังอยู่ทั้งขัานทั้งหลังของเราข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาบุญพระพร ทุกหัวใจที่ยกให้กับพระองค์เป็นเครื่องปรณาตัวเป็นของถวายแด่พระองค์ในคำขืนนี้ที่เขาจะถืออดด้วยวิยไัยและด้วยความํำเกรงพระเจ้าและด้วยจิตใจที่จดจอ่อปรนนาที่จะมีความสัมพันธ์ฟื้นฟูบูรณะความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระองค์ขอพระเจ้าได้สงรงโปรดช่วยคราทังหลายในการสแสวงหาพระองค์ในช่วงเทศกาลนี้ เพื่อทลายจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นจะรับใช้พระองค์มา่างขึ้นและเพื่อที่อลายจะรับใช้ซึ่งกันและกันขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับสาธุกสิ่งอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน